ตอนบรรยายธรรมเนื่องในวันมาคาบูชาวันที่11กุมภาพันธ์2560กาบนะมัชการพระคุณเจ้าสามเณรภิกษุณีคุณเมชีกะลอะไรมทุกท่านนะก็นั่งสบายๆเนาะเป็นปกติ ป, ปกติพุกคืนวันอาทิตย์แต่วันนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนานะเพราะกูก็จะใช้เวลานะก็ อไลให้ฟังหน่อยหนึ่งเนื่องจากพรุ่งนี้ต้องเดินทางออกจากศูนย์ตัแต่ีห้านะไปกรุงเทพจะไปเปิดสาขานนทบุรีแล้วก็พะกูค้างคืนหนึ่งก็บินกลับมาตอนเช้ามืดเหมือนกันก็อีกเรื่องหนึ่งก็แจ้งให้ครอบครัวใหญ่เราทราบว่าพี่แก้วก็ได้กาบลาไปบวชที่เนปาล น, นะ ภระสังคราชเนปาลเนท่านมีเมตตาก็จัดเป็นกรณีพิเศษนะส่วนมากก็เป็นคนไทยไปบวชเพื่อถวายในหลวงของเราราชการที่9กนะก็ไปเป็นเวลาส0บวันจริงๆแล้วก็พี่แก้วก็ถ้าพูดถึงติดงานก็ติดงานเพราะพรุ่งนี้เป็นวันไปเปิดศูนย์เพราะกูบอกไปเถอะนะเพราะอารมณ์เขาเนี่ยติดมาหลายชาติแล้ว ไม่ใช่ไปติดว่าอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่นะคือไปปลดปล่อยนะปล ด, ดปล่อยบางครั้งเราเรียกว่าธรรมลมมันไม่ใช่ของจริงนะก็ก่อนอื่นพระ ก, กูจะเนื่องจากเป็นวันสําคัญทางศาสนา เ, ออเราก็ไม่ละเลยนะวันมาฆะบูชาเนี่ยถ้าในทางวิชาการนะพอ ก, กูช่วงหลังนี่ก็เปิดวิชาการบ้างดูพระไตรปิฎก ส่วนมากจะเป็นเน้นเรื่องปฏิหารเรื่องความอัศจรรย์ต่างๆนะก็วันมาฆะนี้บูชานี่เหมือนกันเขาก็หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือเดือนสาวันมาฆะบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลสี่อย่างคือหนะึ่ง พะระอรหันต์สาวกพันสองรห้าสิบรูปมาประชุมพร้อมกันสองท่านเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิพิกุคือได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าสาท่านเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้มีการนัดหมายสวันที่ประชุมเป็นวันเพ็ญกลางเดือนมาคะหรือเดือนสามเขาจะเน้นเรื่อง พิธีการเน้นเรื่องระลึกของความอัศจรรย์นะแล้วก็เรียกวันมะบูชาอีกหนึ่งอีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงสันิบาตแปลว่าวันเป็นวันที่ประชุมพร้อมกันแห่งองค์สี่นะสี่ข้อที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไมสังเกตวิชาการเขาจะเป็นเน้นแต่เรื่องความสำคัญทางมันอัศจรรย์นะ วันวิสาขาบีชาก็เป็นเน้นเรื่องประสูติตรัสรู ป, ปริพานเป็นวันเดียวกันนะเน้นเรื่องความอัศจรรย์จริงๆแล้วนี่วันมาฆบูชาที่สำคัญที่สุดที่เราเรียกว่าวันพระธรรมนะวันที่พระองค์เนี่ยเมื่อประชุมพร้อมกันแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงโอวาทปาติโมกนะอันนี้คือสอนวิธีปฏิบัตินะ อันนี้สำคัญที่สุดนี่คือแก่นของวันมาคบูชานะแต่ว่าทางวิชาการเ็าจะเป็นเน้นเรื่องนั่นแหละเรื่องอัศจรรย์เรื่องออความพิเศษคือทรงแสดงโอวาทปาติโมกหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับถือเป็นหลักปฏิบัติหลักเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน นะอันนี้สำคัญมากนะตอนนี้เนี่ยพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่ใช่แตกแยกคือแตกขแขนงเป็นหลายลัทธินิกายโดยครูบาอาจารย์นั้นๆเอาอุบายวิธีเอาจริตตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่เรื่องผิดนะนะแต่ยังอยู่ในกรอบของจริตอยู่นะก็ทุกคนก็ไปตั้งสำนักตั้งลัทธินิกายขึ้นมานะเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่นั่นแหละแต่ว่า พระพเจ้าถึงแสดงว่าอันนั้นเป็นเรื่องปีกย่อยแต่หลักใหญ่ๆเนี่ยที่ต้องเหมือนกันก็คือเป็นหลักปฏิบัติในแนวเดียวกันให้มันเป็นแนวเดียวกันเป็นคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าประทานให้แก่ภาษาวกสําหรับไปประกาศศาสนาถือเป็นหลักการใหญ่นะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือเป็นตัวศาสนาก็ได้เห็นไหมนี่สําคัญมาก อันนี้คือเป็นสาระเป็นเนื้อหานะที่พระ อ, องค์แสดงในวันมาคบูชานะไม่งั้นคําสอนพระ อ, องค์ไม่เผยแผร่มาถึงจนสองพันกว่าปีนะแต่ทุกวันนี้เราเป็นเน้นเรื่องวิชาการเป็นเน้นเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารเรื่องความพิเศษเรื่องอะไรไป ล, ลึกถึงตรง น, นั้นออมันก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งเพื่อเพื่อปลูกศรัทธาเราขึ้นมานะแต่ไม่เคยเน้นเรื่องคําสอน วิธีปฏิบัติมันจึงแตกแขนงไปเยอะมากทุกลัทธินิกายก็มีอุบายวิธีที่ต่างกันมันไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าอย่าทิ้งหลักการของมันหลักการก็คือโอวาทปฏิโมกมีสามข้อคือหนึ่งไม่ทำบาปทั้งปวงหมายถึงเว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจ ข้อสองยังกุศลให้ถึงพร้อมหมายถึงประกรอบสุดจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจข้อที่สามทำใจของตนให้ผ่องใสหมายถึงทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นนะก็ที่บอกว่าสรุปก็คือละชั่วทำดี ขัดเกาจิตให้ผ่องใสนี่คือหลักนี่คือแก่นของพุทธศาสนาแต่ตอนนี้เราไปเน้นเรื่องพิธีรีตองพิธีการพิธีการต่างๆเราก็ไม่ละเว้นนะประเพณีที่สวยๆงามๆอย่างวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยตื่นเช้ามาปุ๊บนะเราก็ใช้โอกาสที่เป็นวันสำคัญศาสนา ล, ลึกถึงนะคำสอนพุทธเจ้าโดยไปทำบุญตะ巴ดนะเช้า ว, วันนั้นนะงานแรกก็คือเราไปทาบุญ เห็นไหมและกลางคืนเราก็เวียนเทียนเห็นไหมเราก็ทำนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้ามาฟังธรรมนะแล้วก็รักษาประเพณีดีๆแต่ไม่ใช่หลงประเพณีนั้นแล้วก็เป็นเน้นเรื่องพิ ธ, ธีการมากๆแต่ไม่ยอมปฏิบัตินะเพราะว่าวิชาการพ่อคูดูแล้วส่วนมากเป็นเน้นเรื่องพวกนั้นนะก็เข้าไม่ถึงแก่นธรรมทีนี้ โอวาทปฏิโมกทำไมพระองค์ถึงเตือนเราให้ละชั่วทำดีขัดเกาจิตให้ผ่องใสทำไมต้องทำเห็นไมทำแค่สามข้อนะสามข้อเท่านั้นเองนิพพานอยู่ไม่ใช่อยู่ใกล้ๆนะนิพพานไม่ได้อยู่ไกลตัวไมไ่อยู่ที่ภูเขาหิมาลัยหรือที่อินเดียนะแล้วไม่อยู่ใกล้ตัวด้วยมันอยู่ข้างในเรียบร้อยละนะอยู่ข้างในเรามีพุทธจิตทุกดวงจิตมีพุทธจิตอยู่แล้วเรามีหน้าที่เข้าไปสัมผัสเขา นะทีนี้วิธีเข้าไปสัมผัสเขาผู้เจ้าก็ชี้ทางให้เรียบร้อยเลยเราบุญเยอะมากไม่ต้องไปอย่างเจ้าชายชือไเองเนี่ยลองถูกรองผิดอยู่6กพันานะแบบทุกขละกิริยาทรมานสังขารก็แล้วเสพสุ ก, ก็แล้วทํายังไงก็แล้วก็ไม่พ้นทุกพระองค์เลยไปค้นพบทางสายกลางนะคือมัชชิมาปฏิปทานะและพวกองค้นพบแล้วเนี่ยก็ มาชี้ทางเรานะก็คือโอวาทปาติโมกก็จบง่ายๆก็คือว่าละชั่วทำดีขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะทีนี้ละชั่วยังไงนะออละชั่วยังไงก็คือศีลนะเป็นข้อเตือนสติแล้วว่าอย่าไปผิดศีลถ้าผิดศีลปุ๊บเป็นความชั่วไายมันเป็นกรรม ถ้าเราทําอะไรผิดศีลก็คือว่าเราทําจากความอยากอยากเป็นอะไรก็ช่างอยากเป็นคนดีอยากดังอยากเป็นผู้รู้อะไรก็ช่างก็คือความชั่วร้ายคือผิดศีลนะมันเริ่มจากความอยากนะอันนี้พระองค์ก็เอาศีลนี่มาเตือนสติเราเนี่ยนะนอกจากว่าเราเข้าไปถึงศีลบริ ส, สุทธิแล้วต้องไม่ถือศีลละไม่ต้องอาศัยศีลตัวหนังสือแล้วมันเป็นปกติแล้วมันไม่มีความอยากแล้วเหตุ <S <S ที่ต้องไปทําผิดศีลมันก็ไม่มี นะแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงตรงนั้นเราก็ต้องอาศัยศีลซึ่งเป็นข้อกำกับเนี่ยมาเตือนสติเราศีลนะนี่ทาให้เราละชั่วใช่ทำดีทำอย่างไงนะลูกเอยเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะในยักก็คือว่าอย่าไปทำชั่วให้พ่อแม่เดือดร้อนเท่านั้นเองไม่ค่อยมีเวลาพาลูกไปทำความดีเลยนะไปทำความดีกลายเป็นเรื่องเสียเปรียบนะ มีแต่ใช้ชั้นมีแต่ใช้ชั้นอันนี้คนโง่นะนะคนที่ถูกใช้บ่อยๆนะ่ะมีโอกาสนะได้ทำบุญนะได้ทำดีแล้วก็ได้ประสบการณ์แต่คนทุกวันนี้นี่มันกลัวได้เปียบเสียเปียบเรื่องอะไรฉันจะเสียเปียบนะเออกลายเป็นคนขี้เกียจโดยไม่รู้ตัวนะ้วอ้างโน้นอ้างนี่นะนี่แหละคือทำดีพระ อ, องค์ก็ชี้ทางให้วิธีทำดีก็คือผ่านการให้นี่ เป็นความดีอย่างยิ่งแต่ต้องให้อย่างบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ให้มีอาม i t h นะให้เพื่อเขาแซ่สองสรรเสริญเราให้ธรรมะเขาให้เขาชมเชยว่าเราเก่งนั่นแะหละอันนี้อันนี้ไม่ใช่ให้จริงจริงอันนี้อดอุตริมนุษยธรรมนะมันมีแฝงด้วยความอยากอยู่นะทานเนี่ยนะต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์เรียกว่าสุญญาตาทาน ทานซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดคือสุญญาตาทานนะคือไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้ศักตะวาสลัดออกนะวัตถุทานเห็นไหมเงินทองก็เป็นวัตถุข้าวของก็เป็นวัตถุสักตะวาสลัดออกคือจาคะเอาแล้วได้อะไรอ่แล้วก็ได้ให้แล้วทำไมต้องให้หไหอันนี้แยบยน์มากนะการที่เราสมมว่าเรามีก้อนก้อนหินอยู่ในอกเนี่ยเต็มไปหมดเลย แล้วก็โยนออกทีละก้อนทีละก้อนบุญก็คือเบาบาปก็คือหนักก้อนหินสามก้อนใหญ่ๆคือความโลภความโกรธความหลงเราเอามันออกทุกวันมันก็เบาเห็นไหมเมื่อความโลภความตนีเราอ่อนลงปุ๊บในการทยานอยากเราก็อ่อนลงการกระเสือกกระสนทําร้ายตัวเองเพื่อจะไปสร้างวัตถุเพื่อจะไปแย่งชิงเขาเพื่อจะขโมยของเขาเพื่อจะไปหลอกลวงเขานะที่เราผิดศีลทุกวันนี้เพราะเรามีความอยาก ทีนี้การให้เนี่ยคืออุบายในการทำความอยากทำลายความอยากอย่างหนึ่งเอาออกเอาออกไปเรื่อยๆนะก็คือวัตถุทานนะวัตถุทานเนี่ยได้อานิสง์นะพรอครูตีเป็นคะแนนนะพรอครูว่าได้สิบเปอร์เซ็นตะ์ะนะไ ด, ได้ได้ขัดเก่าความโลภความตนีแต่การให้ธรรมทาน นะไม่ต้องเสียวัตถุไม่ต้องเสียเงินทองแต่ต้องเสียเวลานะเสียพลังงานมาบอกเขานะอันนี้ให้ยากมากนะทุกวันนี้ให้ได้ไม่ไม่ไมนะค้นพบอะไรปุ๊บต้องไปลิขสิทธิ์ไว้นะเรื่องอะไรจะให้นะมันมันลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็กลายเป็นเงินเป็นผลประโยชน์นั่นแหละคือให้ธรรมทานแข่งขันกันในเรียนห้องเดียวกันอยากเป็นที่หนึ่ง เพื่อนถามหน่อยเรื่องอะไรฉันจะบอกเธอเดี๋ยวฉันจะเป็นที่สองเนี่ยอันนี้คือให้ธรรมทานไม่ได้แต่ถ้าใครให้ได้ถ้าให้อย่างบริสุทธิ์พอ ก, กูก็ให้คะแนน40เปอร์เ็นต์เห็นไหมวัตถุทานได้แค่10อันนี้ได้40บนะบวกกันก็ไกลได้5 0าแต่ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออภัยทานพอ ก, กูให้ธรรมทานตอนนี้เนี่ยพูดพุ่นว่าเขาอัดเทปอะไรออกไป youtube คนทั้งโลกคนเป็นล้านดูมันได้อนิสงส์ออกไปในวงกว้างเห็นไม้มอนิสงส์ที่เราให้ทํามทานเราได้ส0เรนเราสร้างวัตถุทานไปสร้างวัดไปสร้างอะไรคนก็ไม่ใช้บท ว, วิหารเนี่ยเราก็ได้เราก็ได้ขัดเกลาความโลภความตืนหนีเราออกสิเอสองอย่างรวมเราได้ 50% สอสองอย่างรวมกันแล้วยังสู้การให้อภัยทานครั้งเดียวไม่ได้ให้คนเดียวด้วย ไม่ต้องให้คนทั้งโลกเอาทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะการให้อภัยทานคือไม่ใช่เอาก้อนหินนะเอาภูเขานี่ออกจากอกเลยไม่งั้นเราจะแบกความพยาบาทในข้ามพบข้ามชาติสำคัญมากนะอย่าไปหลงว่าตัวเองเก่งตัวเองดีโอ้ไปไปไปไ ป, ไปทานนั้นก็ทำไปแต่ว่าในขะ่ะเดียวกันให้อภัยไม่ได้แค้นนี่ต้องชำระสิบปียังไม่สายเนี่ยนะมันจะ บ่มเพาะเป็นอัตราตัวตนเรื่องพยาบาทตายแล้วไม่จบนะเกิดมาชาติหน้าเจอในกองหมันไสเหลือเกินโดยที่ไม่รู้จักกันเลยเห็นไมมันพยาบาทแล้วทีนี้ก็จองลางจองผ่านกันข้ามปบข้ามชาติไม่รู้กี่ชาติอันนี้สำคัญมากเห็นไมคำว่าทานอย่างเดียวเนี่ยมันลดทิฏฐิมันะลดอัตราตัวตนลงไปเยอะนี่คือเป็นอุบายในการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสยอย่างหนึ่งนะ ไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาจเจริญวิปัสนาเจริญฌานอย่างเดียวนะอันนั้นก็จเจริญไปนะไม่พอนะนะนี่แหละก็คือทานเนี่ยเป็นการการทำความดีอย่างยิ่งเมื่อเราทําความดีแล้วเราก็ได้ไงได้ทันทีเลยไม่ต้องรอชาตินาเราก็ได้เบาแล้วก็ได้ขัดเกลีความโลภความตนีความมีอัตตาตัวตนของตัวเองลงไปเห็นไหมอันนี้คือทําดี ศีลนั่นคือละชั่วที่นี้ไม่พอเรามีหนี้เก่าอยู่เรามีหนี้เก่าอยู่แบกข้ามพบข้ามชาติมาเยอะจึงได้มาเกิดในร่างนี้เกิดในสิ่งแวดลอ้อมนี้มีพ่อแม่แบบนี้มีพี่น้องแบบนี้มีเพื่อนฝูงแบบนี้นะมัน่งมาเออเรื่องกรรมเก่าเราก็ไปเปลี่ยนมันไม่ได้เ้วก็เป็นไปตามกรรมเก่าแต่กรรมปัจจุบันเราเลือกได้ เราเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายได้เลือกเลือกที่จะเลี้ยวขวาได้ตรงไปก็ได้สมมุติว่าเลี้ยวซ้ายตกนรกตกก็ช่างฉันต้องการมีความสนุกสนานจะแกล้งมันฉันมีความสุขนะบางคนมีขนาดนั้นนะมันแรงขนาดนั้นตกก็ช่างฉันอยากได้หนะ่อยปล้นฆ่าก็เอาอันนี้มันเลือกเลี้ยวซ้ายบางคนก็ไปติดบุญก็เลือกเลี้ยวขวาจะไปเป็นเทวดาบนสวรรค์นะก็ไปหลงติดดีนะ ไปลุงติดดีนี่ก็ต้องรับกรรมดีน ะ, นะเทวดาทุกมากที่ต้องเสพสุขเสียเวลาเยอะมากคิดเป็นบางทีคิดเป็นชาติของเราหลายชาติเขาเรียกว่าสวรรค์สมบัติยังไม่ใช่ทางพ้นทุกนะสวรรค์สมบัตินระกสมบัติมนุษย์สมบัตินะสามโลกกระธาดียังอยู่ในวัฏสงสารผู้เจ้าสอนให้เราเดินตรงไปโดยยึดหลักทางสายกลางก็คือ นิพพานสมบัติมันเป็นทางทางเดียวเท่านั้นที่เราจะออกจากวัตะสงสารได้นี่แหละง่ายๆทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะง่ายๆไม่ต้องไปเรียนเจ็ดแดหมวดวิชานะท่องจำไปสอบก็ทุกข์กลัวจะสอบไม่ได้สอบได้ปุ๊บก็ดีใจวันหนึ่งเดี๋ยวปีหน้าเขาไปท่องจำวิชาอื่น จบ อ, อกมาได้เกียรติยศอันดับหนึ่งเป็นด็อกเตอร์ออกมาคุยกับไม่รู้ภาษาเรายังทุ่มเทให้มันเพราะว่ามันเป็นกิเลสเราเราถูกใส่ข้อมูลน่ยมาแล้วเราก็คิดนอกกรอบไม่ได้นะพวกเราก็ถือว่าเราเป็นลูกหลานผู้ดีเจ้าส่วนที่เป็นบุญเราสร้างมาเยอะมากนะปีนี้เนื่องจากว่าพ่อโนนโมลีพ่อครูเนี่ยผัดเข้ามาหลายเดือนแล้วนะก็วันนั้นเขาจัด เป็นพรุ่งนี้วันที่สองก็เขไม่รู้นะว่าเป็นวันนี้เป็นวันมาฆาด้วยนะก็เลยไม่เป็นไรก็ทำทำหน้าที่นะก็วันนี้เราก็ทําหน้าที่วันมาฆานี่ไม่ใช่พวกเราทํานะพุทธศาสน์ที่คนทั่วโลกก็ทําพิธีทางาศาสนาเหมือนเป็นการรวมพลังไม่ได้นัดหมายนะเห็นไหมประเทศไหนที่มีชาวพุทธเนี่ยเขาก็ทํากันหมดเห็นมเห็นไหมหไห ม, มันเป็นพลัง นะเป็นพลังแล้วก็พลังเหล่านี้ต้องคนฝึกจิตถึงจะรู้ว่ามันมีจริงนะมันมีจริงแต่ต้องเป็นพลังบริสุทธินะส่วนบางคนเนี่บริสุทธิ์ส0บางคนบริสุทธิ์20บางคนบริสุทธิ์50บางคนบริสุทธิ์80บางคนบริสุทธิ100์ร้อยหนึ่งก็เป็นเรื่องนาน า, นาจิตตังแต่ก็ยังมีสิก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำนะเรื่องนี้ถ้าเราคําว่าเดินสายธรรม จริงๆแล้วชีวิตเราก็ทำนั่นแหละอาชีพไหนก็ทำนะไม่มีอาชีพไหนไม่เกี่ยวกับทำมันเกี่ยวกับกรรมหมดนะเป็นแต่ว่าเขาแยกว่านี่ทางโลกนี่ทางธรรมนะบางคนบอกเออพระครูเขาเดินสายธรรมแล้วพูดเพื่ออะไรมะเพื่อว่าอย่ามาแตะต้องฉันฉันเดินทางทางโลกกิเลสมันชอบมากนะมันจะสร้างกำแพงป้องกันตัวเองถางว่าทางโลกถามว่าตายไหมฮนะ ถ้าหาเงินได้สบล้านให้อายุ60สบถ้าหาเงินได้ร้อยล้านให้เจสบนะถ้าหาเงินได้พันล้านให้อายุ80ดสบถ้าหาเงินได้มื่นล้านให้อายุ9กเป็นอย่างนั้นได้ไหมนะทางโลกทางธรรมคือตายหมดตายคือธรรมะทางเดียวกันหมดส่วนการใช้วิธีที่ต่างกันเท่านั้นเอง กิเลสมันชอบอ้างเนี่ยอย่ามาแตะต้องฉันทางธรรมเธอก็เดินไปฉันอยู่กับทางโลกนะมันขีดกรอบเพื่อปคป้องกันตัวเองนะก็อันนี้ก็สรุปเรื่องวันมาฆบูชาก่อนทุกปีทุกปีก็เรื่องพูดเรื่องเก่าๆนะก็ธรรมะมันไม่มีอะไรใหม่ๆมันก็เป็นของเก่าๆเกิดแก่เจ็บตายเวียนไหยตายเกิดบาปบุญคุณโทษมันก็มีเก่าๆ บางทีเบื่อเบื่อรากูพูดเรื่องเก่าๆต่ถามว่าเรื่องเก่าๆนั้นทําได้หรือยังแค่สามข้อนี้ทําได้ไหมทําดีล่าชั่วขัดเกลาจิตเนี่ยพอทำได้หรือยังแล้วจะมีจะฟังนู้นใหม่ๆกิเลมันชอบเรื่องใหม่ๆเพราะมันกลัวมากไอ้สมอย่างนี้เรื่องเก่าเก่านี่มันกลัวมากกลัวที่จะทําดีกลัวเสียเปียบนะพอเขอาใช้หน่อยว่าฉันไม่ไปขี้ขี้ฆ่าใครนะแล้วพวกกูเป็นขี้ฆ่าใครไหมมาบริการพวกเราเนี่ยคนเป็นหมื่นเป็นเป็ น, ป น, ปนพัน มันไม่เกี่ยวเราต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาเปิดโอกาสให้เราได้ทำบุญกับเขานะคนที่มีปัญญามีความฉลาดเนี่ยจะไปคิดแบบนั้นนะนะแล้วก็ไปโจมปักอยู่อารมณ์ทุกตัวเองเพราะว่ากลัวเสียเปียบคนที่ได้ทำมากๆนะ่ะได้เปียบเลยละ่ะแต่เราไม่คิดว่าเราจะได้เปียบใครเราได้โอกาสในการสร้างทานบา ร, รมีของเรานะไม่งั้นหลบไปวันหนึ่งก็แก่ตายไปวันหนึ่ง ให้พวกนี้เกิดมาชาตินี้ตายเปล่านะนะโดยเฉพาะไอ้เรื่องทิฏฐิมนะเรื่องอัคตินี่แหละนะเออคนทุกวันนี้ชอบทําน้อยๆจะได้เงินเยอะๆคิดว่าตัวเองเก่งนะอันนี้โง่นะคุณทําน้อยๆคุณจะมีประสบการณ์ที่ไหนล่ะถ้าไอ้ดวงเขาเรียกว่าดวงมันไม่ดีไอ้บุญไอ้กรรมเก่าที่เราสร้างมามันส่งผลเมื่อไหร่นี่เดี้ยงเลยนะไม่ตื่นเลยนะทำไมเรามีวันหนึ่งเรารีบ ไม่ใช่กักตุนสะสมนะไม่ใช่โลภแบบนั้นนะเรามีหน้าที่บำเพ็ญเพียร น, นะสร้างอริยทรัพย์ไว้เกิดตัวโตๆไอ้กำแต่ใหญ่มันชนแล้วปุ๊บมันก็ผ่อนหนักเป็นเบาอันนี้เราปล่อยวันวันหนึ่งไปในชล่าใจหลบไปหลบมาแล้วเนี่ยพอเจอไม่ไม่ลูกโตหลอกลูกแค่กลางๆปึง้งนี่ก็เดี้ยงเลยฉันจะฆ่าตัวตายนคือคนที่เขาเขาไม่เชื่อเรื่องเวียนหวตายเกิดเขาไม่เชื่อเรื่องชาติน้ามีจริง เขาก็เลยไม่สนใจปัจจุบันนี้ชันจเจ้าตัวรอดแล้วสุดท้ายตัวเองก็ไม่รอดสุดท้ายเราก็ตายแดีถ้าเราไม่ฝึกจิตนี่เราจะตายดีไม่ได้เราจะตายแบบทุกขทรมานมากนะแต่ที่ศูนย์เราเนี่ยฝึกเตรียมตัวตายทุกวันนะเราไม่ประมาทนะก็ให้เข้าใจว่าวันมาขะบูชาแก่นของเขาเนี่ยที่สําคัญที่สุดคือ พระพุทธองค์แสดงโอวาทพระปาติโมก ค, คือชี้ทางพ้นทุกข์ให้เราแล้วก็ทางนี้ง่ายง่ายทำแค่สามอย่างนะจะบอกว่าละชั่วทำดีขัดเก่าจิตผ่องใสก็ได้หรือว่าทำดีละชั่วขัดเก่าจิตแต่ผ่องใสก็ได้นะง่ายง่ายนะแค่สามอย่างนี้ทำได้หรื อ, อยังอยากจะรู้เรื่องใหม่เทคนิคใหม่ไม่จะเปนเน้นเรื่องหาเทคนิคมันไม่ใช่ศาละอะไรนะ เทคนิคเป็นแค่อุบายวิธีมันไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่ว่าเราจับหลักการนี้ได้ไหมเรามีศรัทธาตั้งมั่นไหมใบไม้กำมือหนึ่งที่พระองค์ยกตัวอย่างมาเนี่ยนะเอามาแค่ใบเดียวทำมันจริงจริงจัง ๆ, ๆนะตอนนี้กรุงเทพพระกูห่างมาเยอะกันเลยมิกรุ่นเก่าๆก็ไปหลงสภาวะธรรมนะ มีมี ม, มีมีคำมาบอกกล่าวหลายคำเยอันนี้อันนี้ไม่ได้ตอบโต้คือเมตานะขอชี้แจงเพื่อไม่ให้หลงบางคนถามว่าตอนนี้เป็นยังไงเขาเรียกว่าปฏิบัติเขาก็ตอบว่าปฏิบัติแบบผสมผสานผสมผสานทางจีนเขาเรียกว่ายัางไง ร, รู้ไมไอผักที่เราหลายๆอย่างผสมเขาเรียกว่าจับชาย อันนี้ก็น้ำครึ่งถังน้ำครึ่งถังทั้งมไม่มีเต็มเลยรู้หมดรู้ทุกเรื่องแต่ไม่เต็มสักถังหนึ่งอันนี้จับชายไงถ้าในทางธรรมเนี่ยไม่ใช่มักนะมักทางปัญญานอันนี้มักมากเนี่ยจับชายอวดรู้อวดเก่งแล้วก็ไม่พอแค่นั้นนะแล้วช่วงหลังเนี่ยเนี่ยพระกูเร็วเรวนี้เนี่ยก็บอก ไปถามญาติธรรมคนหนึ่งเห็นมาศูนย์บ่อยๆโอ้ปฏิบัติบันเทิงทั้งสามสี่ชั่วโมงนะเออแล้วทาไมต้องไปศูนย์ล่ะแสดงว่าไม่ก้าวหนะ้าปฏิบัติที่บ้านก็ได้มีคนพูดแล้วนะนะได้มันเป็นอาการลีโกไม่จำกัดการเวลานะที่บ้านก็ได้มาที่ศูนย์ก็ได้แต่ถ้ามาที่ศูนย์นี่เราได้วางบ้านไง ตัวเองติดบ้านยังมีรู้ตัวเลยว่าตัวเองติดบ้านไม่ต้องมาศูนย์ไปที่ไหนก็ได้แต่วางบ้านหน่อยหนึ่งกิเล่มันฉลาดนะมันพูดนะผู้เจ้าบอกเราจะไม่สร้างเรือนอีกต่อไปคำว่าวางบ้านไม่ได้ไปว่าทิ้งบ้านแต่ฝึกไม่ให้เราไปติดมันอันนี้โอ้ท่ า, านั่งบัติบ้านมันสบายสบายไงเพราะว่าเราได้เฝ้าบ้านด้วยมันไม่หายไปไหนไงอันนั้นกิเลสนะ อันนี้เรียกว่าชวบอวดกันไปอวดกันมานะนะหลงสภาวธรรมนะหลงอารมณ์กรร ม, มาฐานนิ่งเฉยตำลึงทองถ้ายังไม่แตกฐานจริงๆเนี่ยไม่ต้องเป่งออกมามันจะกลายเป็นวจีกรรมนะคือเราเอารมณ์เราเป็นที่ตั้งแล้วก็ไปแปรอาการีรโกจะไม่จังกัดการเวลาและสถานที่ นะมีบางคนมาที่นี่นะก็มีตอนนี้มีเยอะมากเพราะว่าเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของศูนยเยอะนะทุกคนกําลังไม่แน่ใจเอ๊ะพรอครูเนี่ยลมพัดลมเปพรอครูนี่ตามกระแสเขาบอกอย่างนี้นะจิตพระครูถ้าจิตมันมันยิ้มได้มันจะยิ้มนะถ้าพระครูตามกระแสพระครูจะมาอยู่ในป่าเลยนะมือถือต้องรุ่นใหม่รุ่นใหม่รถรุ่นใหม่สิพ่ะครูรู้เท่าทันกระแสนะยัง เหมือนบางคนก็พูดอีกพวกครูไม่ทันสมัยเลยเมือถือก็กดไม่เป็นบอกคิดผิดคิดใหม่ได้นะพากครูนี่ทันสมัยมากเลยแต่พวกครูไม่เคยตามสมัยตามไปว่าไม่ทันไปว่าทาดนะคือพูดไปเลยๆนะคิดว่าสนุกสนานเรยไม่ได้สนุกเลยนะไอ้คนที่คิดว่าตัวเองสภาวะทำเท่ากับเขาหรือเหนือกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาเนี่ยนะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิ นะมีการเปรียบเทียบหลงสภาวะธรรมชั้นบรรลุธรรมแล้วอะไรพูดไปตรงนั้นแหละนะมีประหลอดวัดไหมมีไหมเราเห็นจริงๆสภาวะเราเห็นจริงๆเห็นจริงๆเลยแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันเป็นสภาวะธรรมเป็นอารมณ์กรรมาฐานอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะเห็นก็สักแต่ว่าเห็น อันนี้เห็นพวกผู้ชั้นเป็นน่นฉั้นเป็นนี่ชั้นันรู้ธรรมแล้วเนี่ยอันนั้นคือตัวเขาเรียกว่าหลงอารมณ์กรรมาฐานหลงสภาวะธรรมถ้าบรรลุธรรมแล้วจะไปสแสวงหาอะไรหรือก็ไม่ต้องไปสแสวงหาอะไรเลยไงมันไม่มีอะไรต้องสแสวงหาอย่าโดนมันหลอกนะพ่อครูอยู่ที่นี่ยี่สิแปดปีไม่ใช่ยี่แปดปีนะพราครูเห็นเรื่องนี้ไม่ใช่ยี่แปดนี่เห็นมาหลายชาติแล้ว สุดท้ายแล้วนี่ยิ่งสูงยิ่งหนาวล่ะมันต้องเอาที่พิเศษมากมันก็หลอกมันถ้าป็นพิเศษมันก็หลอกเราไม่ได้ไงนะยกตัวอย่างก็ได้นาวาดเนี่ยหลายปีก่อนอู้เป็นพระอาหารหันต์เลยล่ะมานั่งอยู่ตรงนี้นะทีนี้อารมณ์กรรมาฐานตอนนั้นน่ะมันส่งผลถึงกายภาพเลยล่ะผมแกแดงมาทันทีเลยสองอาทิตย์สแสดงรมเป็นธรรมะของโกนธัญญทั้งนั้นแหละเพราะกูก็นั่งเฝ้าทุกวัน จนเวลางานออกจากข้าราชการแล้วไปบอกเจ้านายว่าฉันบรรลุอรหันต์แล้วเขากลัวมากเขากลัวหลงเขาก็ไปถามครูบาอาจารย์เขาบอกเป็นมิจฉาสมาธิมันไม่เกี่ยวกับมิจฉาสมาธินะแต่เขาก็เตือนพกก่อคูก็เตือนบอกเบี่ยงทิ้งแต่เวลานั้นเราเปล่งออกมาธรรมะเราไม่ได้ผิดมันเป็นอารมณ์เก่าในอดีตแต่ไม่ใช่จิตปัจจุบันจิตปัจจุบันมันยังมีกิเลสอยู่บรารมียังไม่ถึง มันถึงจะแสวงหาไปทน่นไปที่นี่ไปลิ้มรสอะไรแปลกๆถ้ามันบรรลุธรรมจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องการแสวงหาอะไรเลยแต่มันเป็นอารมณ์ชั่วคู่มันไม่ได้ผิดนะเรียนรู้กับตรงนั้นแล้วก็ต้องวางมันกลับมาอยู่ปัจจุบันหลายคนมาปฏิบัติโอ้ปฏิบัติแล้วเนี่ไปเมืองลาไปเวียงจันไปเปิดศูนย์อะไรใหญ่ๆเลยบรรลุธรรมไง เพราะครูซาไปเยี่ยมนะแปลอะไรก็เตือนเท่าไหร่ไม่เตือนล้ตอนนั้นน่ะฉันเป็นอัลาหันแล้วทิ้งสามีเก่าตอนนี้ไปแต่งงานใหม่มีแต่หมูหันเท่านั้นน่ะที่ทาแบบนั้นนะคือถ้าไม่ศรัทธาแล้วครูบาอาจารย์เตือนมันก็ไม่ตื่นก็หลงอยู่ตอนนั้นแหละบางทีก้าวผิดข้ามก้าวหนึ่งแล้วตกเหวลงไปชาตินี้ไม่มีโอกาสแล้วและกรรมจุดนี้ก็ข้ามพบข้ามชาติเรื่องนี้อย่าทําเล่น ถ้าบรรลุทมจริงๆถึงขั้นเราบรรลุทุกวันนะเราปฏิบัติทุกวันบรรลุทุกวันปวดท้องเข้าห้องน้ำก็บรรลุอย่าห่วงแต่ถ้ามันระเบิดสุดท้ายมันเคลียร์คัดแล้วจด็ดเราก็ถูกทำลายหมดแล้วไม่มีอะไรละมันไม่มีลายล้างเรสงสัยมันไม่ต้องแสวงหาที่ไหนอีกแล้วอันนั้นละปลอดภัยเขาเรียกว่าหลงในอารมณ์กรรมฐานหลงในสภาวะธรรมตรงนั้นนะ เราไม่สักตะวารู้สักตะวะเห็นใช่อันนี้ก็พวกครูมีหน้าที่เตือนสติส่วนเตือนแล้วมันเป็นเรื่องนานาจิตตังเป็นเรื่องสิทธิของแต่ละบุคคลนะก็ยังไม่แตกฉานนี่ไม่ต้องพูดลึกๆเรามีอามิสไงเหมือนบางคนค้าขายเนี่ยคุยอะไรก็มีแต่ภาษาธุรกิจจะดึงให้เขาเป็นลูกค้าเรา โอ้ยปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้ก็ถูกแล้วไงนะเนี่ยพ่อครูตามกระแสนะพอโครงการทําดีพ่อพ่อพ่อครูก็ทำเศรษกิจพอเพียงพ่อคูก็ทําแล้วก็ไปแย้งว่าทําดีพ่อพ่อทำที่ไหนก็ได้ก็ทําที่ไหนก็ได้ ก, ททไ ก, ไดก็ที่นี่ทําทํำไมไม่ทําที่นี่ไปทําที่อื่นทําไมมิติเละทั้งนั้นนะกระแสเหล่านี้เนี่ยมันจะหลอกพระครูได้หรือเหมือนวันนี้เนี่ย วันมาฆะาบูชาพระครูตามกระแสอีกสิมันไม่ใช่มันเป็นเหตุและปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเราต้องฉลาดใช้เหตุปัจจัยตรงนั้นนะ่ะคือสร้างกุศลให้ทุกคนมีโอกาสนันหน่อยพึ่งบนกับพระครูเมื่อวานก่อนอถ้าไม่ใช่บา ร, รมีในหลวงนเนี้ยเนี้ยอยู่ๆเราก็มาปองผมเดี๋ยวนี้เขาจะหาว่าเราบ้าเนี่ย จิตมีปัญญาต้องรู้เท่าทันเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้มาทำเป็นประโยชน์แล้วก็มากระตุ้นทำให้ทุกคนรู้จักกตัญญูรู้คุณน ะ, ะเกษตรเพื่อชีวิตพวกกูทำตั้งแต่ปีสามสองมาจากอเมริกาจนทำจนห น, นังสือพิมพ์ทุกฉบับมาลงโทวทัศน์ต้องมาลงเนี่ยเห็นไหมพวกกูทำมาตั้งนานแล้วปีสี่ศูนย์เศรษฐกิจเราล่มในหลวงถึงพระองค์ทรงประทานเรื่อง เศ ร, รษฐกิจพอเพียงแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่พวกครูบอกว่าใช่แล้วแล้วก็ทำมาตลอดเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงเนี่ยทุกคนเป็นลูกหลานของพ่อหลวงเรานะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เราสูญเสียครั้งใหญ่นะเหมือนเตือนสตินะพวกคูเคยพูดไปแล้ว วันแรกที่พระ อ, องค์ขึ้นคลองราดเนี่ยพระ อ, องค์มีพระชนมายุแค่19บเ้าชันษาพระ อ, องค์เป่งออกมาบอกเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแด่มหาชนชาวสยามแลนะเจดสีที่เจิปีที่พระ อ, องค์คลองราดพระ อ, องค์ก็ทําตั้งมั่นเลยแต่พระราช ด, ด, ดําบัตสุดท้ายเนี่ยตอนปีใหม่ปีห้า้าที่ผ่านมาส่งท้ายปีเก่าห้าปดสุดท้ายนะ เนื่องจากเจิบปีที่พระ อ, องค์เนี่ยทุ่มเทเพื่อจะให้ลูกหลานพระ อ, องค์มีความสุขพระ อ, องค์เป่งออกมาว่ายังไงพระราชดำริว่าคนเราไม่ใช่มีความสุขฝ่ายเดียวมันมีทุกข์ด้วยทุกคนต้องเตรียมความพร้อมจบท้ายด้วยอย่าประมาทคำนี้แหละคานี้แหละทำให้พระครูมองกลับมาว่าศูนย์เราเป็นยังไงศูนย์ปากท้องเราเนี่ยเป็นยังไง ศูนย์จิตใจเราไปยังไงเห็นไหมลูกหลานมาบวชชีบวชเนนมากขึ้นเห็นไหมโรงเรียนเราก็เด็กมากขึ้นครูก็มากขึ้นปากมันก็เพิ่มขึ้นศูนย์จิตใจก็หลายปีมาเออผู้คนก็เข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้นแล้วศูนย์ปากท้องเราเนี่มีอะไรมากขึ้นไหมนี่เป็นการเตือนสติพวกกูเออเห็นไหมเราอยู่ในขั้นประมาท พวกคูไม่ทำคือไม่ทำพวกคูถ้าทำอะไรก็คือเป็นคนทำจริงๆไม่งั้นทิง้งจริงๆทิ้งชีวิตไอ้ความสุขแบบโลกิยะสุขเนี่ยมาอยู่ในป่านี้ยี่ปีได้อย่างไรไม่ต้องการให้คนแส่สองสรรเสริญแต่สงสารปฏิบัติมาแค่หนึ่งก็ไปหลงสภาวะทมไปพูดน่นพูดนี่ตัวเองหลงไม่พอไปทำให้คุณเขค่อยเขวด้วยนี่บอกหยุดนะหยุดไม่ใช่เรื่องดีนะไปศูนย์ทาไม เพรากูเคยสอนให้เราติดครูบาอาจารย์ไม่เมตบอกให้เหวียงทิง้งถ้าเขาฝึกจะวางบ้านน่ะไปที่ไหนก็ไปสิแต่เขาไม่รู้จักเขามาศูนย์เพื่อจะฝึกให้ระวงังไม่ยึดมั่นถือมั่นกับบ้านบ้านบ้านเห็นไหมแล้วบอกว่านั่งอยู่กับบ้านก็ได้ก็ได้สิกิเลสมันชอบไงเนี่ยไปพูดอะไรจนเลอะเลือนไปหมดเนเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย ไม่ได้แก้ปัญหาคนจนนะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแก้ปัญหามนุษยชาติถ้าโลกนี้เนี่ยเอาทฤษฎีนี้ไปปรับใช้เนี่ยนะโลกนี้จะอยู่ได้นานขึ้นนะส่วนกเกษตรทฤษฎีใหม่พระองค์จะไปแก้ปัญหาลูกหลานพระองค์เยอะไงคนที่เป็นเกษตรก ร, กรยากจนนะเขาจนอยู่ดีดี เจ้าหน้าที่บ้านเมืองข้าราชการนักวิชาการหวังดีก็มาสอนพัฒนาจนเขายากจนตอนนั้นจนอยู่ดีๆไม่มีหนี้สินไงเออมันไม่เจริญเติบโตต้องไปกู้หนี้สินมาลงทุนๆตอนนี้เป็นหนี้หมดเขายึดที่พวกกูต้องแบ่งหาที่ตั้งนนในหมู่บ้านให้เขาสร้างบ้านนะชาวบ้านเนี่ยที่เขาเยอะเลยสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้หมดไม่มีที่สร้างบ้านด้วยก็ต้องหาที่ให้เขาสร้างบ้าน พอพระองค์มาแก้ปัญหาลูกคนนี้เป็นเกษตรกรพระองค์ก็ชี้ทางเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงมันคุมทั้งหมดเพราะโลกนี่ทุกวันนี้เนี่ยเอาเศรษฐกิจไปที่ตั้งทําอะไรก็เอาเศรษฐกิจอาชีพไหนก็เศรษฐกิจเราให้ความสำคัญเศรษฐกิจพระองค์ก็เลยชีย้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วคือชีวิตที่พอเพียงชีวิตที่พอเพียงนะรวมหมด ลูกคนนี้เป็นคนยากจนไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาพระองค์ก็สร้างโรงเรียนให้ตั้งกองทุนให้ไม่รู้ส่งเขาไปเรียนจบด็อกเตอร์มาลูกกี่คนละเห็นไหมลูกคนนี้สุขภาพไม่ดีพระองค์ก็ส่งเสริมไม่สร้างโรงพยาบาลมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยพระองค์ไม่ต้องบริหารนะไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์มันเป็นหน้าที่ของนักการเมืองของ น, รรขนายกทะเบีคณะทบนตี แต่พระ อ, องค์ไม่ได้บริหารพระ อ, องค์ดูแลลูกหลานพระ อ, องค์ไม่มีเรื่องไหนที่ไม่ดูแลเมื่อพระ อ, องค์สวรรคตพระ อ, องค์ไปสู่สวรรคาอะไรแล้วเนี่ยเราเฉยไม่มีอะไรเลยคนอื่นเขาทำไม่ไม่ทำตามเขายังมาพูดอีกนะยามันไม่ใช่เรื่องกุศล นะทำบีเพ่อๆทําบีไหนก็ทําสิก็อยู่ที่นี่ทําแล้วทําไมตรองหนีไปทําที่อื่นมิตรพูดนะถ้าไม่พร้อมที่จะทำก็เฉยเฉยก็นั่งนิ่งๆนะนิ่งเฉยตำลึงทองก็ไม่ใช่ว่าพ่อคูตื่นแล้วนะพ่อครูตื่นมายี่ปปีแล้วมีแต่ว่าที่ผ่านมางานเรามันเยอะ ไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแก้ปัญหาชีวิตได้บางคนก็ปฏิบัติมาได้สภาวะธรรมระดับหนึ่งเนะ่ะลืมไปหมดเลยตอนนี้เป็นหลงตัวนั้นแหละนะแล้วก็มาพูดว่าครูบาอาจารย์อีกนะมันเป็นกรรมเนาะถ้าไม่มีวันนี้วันนั้นจะมีวันนี้เหรอใช่ไหมถ้าเราลืมศรัทธาเราหลงสภาวะธรรมนะ่ยใครปลุกเราตื่นก็ไม่ได้เราก็หลงอยู่ตรงนั้นแหลนะไม่ต้องอะไรมาตอบแทนพวกครูนะพรกครุณไม่ต้องการเป็นหนี้ใครอีกต่อไป เพียงแต่ ว, ว่าขอบุญทุกคนที่มาใช้ศูนย์เนี่ยนะให้พวกคุได้ทําหน้าที่พวกคุไม่ได้หวังผลอะไรมันไม่ใช่เรื่องบุญบาปแล้วมันทําเพราะทำนะหรือพรุ่งนี้เขาบอกเออศูนย์นี้ไม่ดีละปิดเลยก็ปิดปิดก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ใช่ของพวกคุณแต่เราอยู่ตรงไหนชุมชนใดสังคมใดเรามีเวลาวันหนึ่งมันหายใจวันหนึ่งเราก็ทํา เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตัดสรุรทมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชาพระองค์เหนือบุญบาปแล้วไม่ต้องสร้างบา ร, รมีอีกแล้วพระองค์ทำไมไม่หยุดละ่ะก็หยุดสิทำไมสร้างศาสนาขึ้นมาเนี่ยเผยแผ่อีก 45, สี่สิบห้าพรรษาอันนั้นเขาเรียกว่าทำเพะทำมันไม่เนื่องด้วยบุญบาปมันเลยแล้ว เรายังไม่ถึงลังเลสงสัยเป็นเรื่องธรรมดานะก็นิ่งซะไม่ต้องไปสนใจหรอกคนไหนบนรรลุทรรมไม่ลองถามถามว่าเราบรรลุหรื อ, อยังเราทาได้หรื อ, อยังนะถ้าทำได้จริงๆนี่ไม่ต้องมีความคิดจะแสวงหาอะไรอีกเลยไม่มีใช่ไหมยิ่งถ้าบรรลุทรรมจริงๆนเนี่ยเนี่ยใช่ต่อหน้าเราคนที่ เขาลอให้เราให้เขานี่เต็มไปหมดเลยเราจะวิ่งหนีทำไมของเกถ้าของจริงแล้วเนี่ยนะตอนนั้นเรามีส่วนเกินที่จะแบ่งปันถ้าคนข้างตัวยังให้ไม่ได้ยังไปอ้างไปแกล้งสร้างฉากให้คนนั้นคนนี้ของปลอมของปลอมคนข้างตัวยังให้อภัยไม่ได้นะคนข้างตัวยังเมตตาเขาไม่ได้ แล้วจะไปสร้างภาพอะไรเลยเห็นไถ้าจิตมันเข้าถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่มีข้อลังเลสงสัยแม้แต่หนึ่งอย่างแต่ถ้ามันยังมีอยู่มันก็ไม่ได้ผิดดีแล้วทำให้เราอย่าไปหลงมันแล้วก็บรรลนไปเรื่อยๆนะเรื่อยแค่ไหนเรื่อยจนวันที่มันไม่หายใจเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์บรรลุธรรมชัดเจนแล้วทุกคนยอมรับ แต่พวกอกก็ทําหน้าที่จนวันสุดท้ายยังไม่ต้องทำไมต้องไปเรียนต้องไปฝึกอะไรใหม่เหรอไม่มีก็ถึงให้ระวังนะจิตนั้นน่ะทุกอย่างจบอยู่ที่จิตทุกแห่งมีขั้วบวกขั้วลบในตัวมันกิเลสมาในใจเราเนี่ยเนื่องจากกรรมที่เราสร้างมาหลายภพหลายชาติมันก็ไม่ปล่อยเราง่ายๆมันเนียนมาก มันรู้เลยว่าเราชอบอะไรเราหลงอะไรอยู่มันแปลงร่างได้ทุกทุกอย่างจำคำว่าเวียงทิ้งคำว่าศักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่ถ้ามันไม่เนียนมันก็หลอกเราไม่ได้ไงมันรู้ทำเราอย่างไงแล้วจะไปเป็นอะไรเหรอมันรู้จริงๆอยากจะเป็นอะไรหรอมันก็มันต้องเป็นอะไร เวลาที่เดือก็ทำเพราะทำไม่ต้องไปดิ้นรนขวนขวายอะไรทั้งนั้นแหละนะโดยเฉพาะทานศีลภาวนาไม่ได้ให้เราเพิ่มอะไรไม่แต่หนึ่งอย่างนะมีแต่ลดละเลิกไม่ใช่เพิ่มความรู้ไม่ใช่เพิ่มสภาวะธรรมไม่ใช่ไปหลงว่าฉันสูงเธอต่ำ คนที่เปรียบเทียบว่าเออเธอปฏิบัติแล้วเธอไม่ก้าวหน้าฉันก้าวหน้ามากกว่าเพราะฉันปฏิบัติที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาศูนย์ก็ได้มีเปรียบเทียบหรอถ้าคิดกลักับเธอนั่นแหละไม่ก้าวหน้าวางบ้านไม่ได้มาที่ศูนย์นี่คือเวียงทิ้งไม่ใช่มาติดศูนย์ไม่ได้ติดแต่บังเอิญว่ามันเป็นสถานที่สัปปายะนะ เราไม่ต้องกังวลอะไรถึงเวลากินเราก็กินถึงเวลาปฏิบัติปฏิบัติถึงเวลานอนก็นอนถ้าขยันก็อย่าไปนอนก็นั่งอยู่ในที่พักตัวเองมันถึงสว่างเลยก็ไม่มีใครว่าถ้าขยันพวกครูพยายามช่างสถานที่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยคำว่าให้ทุกคนมาใช้ได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนส่วนเราเดือดร้อนเพราะว่าเอ๊ะเหม็นขี้หน้ามันอุย้ยฉันไม่ชอบมันอันนี้เราเป็นกรรมของเราเองไม่ใช่ศูนย์ทำให้เราเป็นแบบนั้น ไม่ใช่เป็นหนีในป่าคนเดียวอยู่ในถ้ำบอกโอ้เงียบเๆๆเเงียบอันนั้นคือหนีทุกข์นะความสงบจริงๆนี่ต้องอยู่กับคนหมู่มากๆแล้วสงบได้กระทบไม่กระเทือนนั่นแหละของแท้หนีฉันอยู่เงียบๆนีไปอยู่ในป่าคนเดียวไม่มีอะไรกระทบเลยไป็นหลงว่าตัวเองนี่บรรลุธรรมสบายๆพอออกมาเนี่ย บางทีไม่กระทบนะแค่เห็นหน้ามันจะเฉยนี่อารมณ์เก่าขึ้นมาก็เหม็นขี้หน้าก็ทุกข์แล้วไงเราอยู่ด้วยกันประเชิญมาเลยเต้นอยู่ในนีร้อย0 2 0 0อคนก็ช่างแต่เราก็สงบนั่นแหละคือของจริงนะรูปแบบอุบายวิธีในการฝลกจิตมันหลากหลายนะในพระไตรปิฎกก็8ป0 0 0พันระธรรมมาขัน แค่กรรมฐาน4ี่นี่ก็ยกตัวอย่าง4ี่ิกองจริงๆแล้วมันมีหลายหมื่นหลายแสนกองอย่างพิจนาะอสุภะษเนี่ยเขายกตัวอย่างว่ามีสิบท่าเนี่ยจริงๆแล้วมีตั้งเยอะท่ามันเป็นยกตัวอย่างเฉยๆนะขอให้ทำจริงเถอะนะบอกฉันปฏิบัติแบบผสมผสานผสมผสาน ร, ระหว่างอะไรรู้ไหมระหว่าง กายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่ผสมผสานระหว่างวิธีปฏิบัติอันนั้นมันจับชายอันนั้นมันมั่วผสมผสานระหว่างกายเวทนาจิตธรรมฐานทั้งสี่ไม่ใช่ปฏิบัติแบบแยกส่วนไปเพ่งที่กายไปเพ่งที่เวทนาไปเพ่งที่อาสุพระแล้วไปเพ่งที่จิตและไปหลงธรรมในธรรม มันต้องไปด้วยกันทั้งหมดนี่คือผสมประสานนี่คือโฮลิสติกคือองค์รวมนี่คือมหาสติประธานไม่ใช่ผสมประสาน ร, ระหว่างเทค น, นิคนั้นเทคนิคนี้ น, นี่มั่วไปหมดเลยไม่มีเทค น, นิคไหนแตกฉานสักอย่างหนึ่งอันนั้นเรียกว่าปฏิบัติแบบจับชายเลือกเอบบนี่ยแบบไหนก็ได้ลุยเลยให้มันตายคาตรงนั้นแหละนะ ไม่ใช่ปฏิบัติมาไม่กี่วันกี่เดือนแค่กี่ปีนะ่ยบอกโอ้เปหลงสภาวะนะั้นอีกก็ไม่ใช่นะเราต้องข้ามพ้นสภาวะอารมณ์ต่างๆทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งมันมันได้รูปของอารมณ์นิพพานนีน่ก็เป็นอารมณ์ไงเป็นธรรมอารมณ์มันยังไม่ใช่ของจริงถ้าจิตปัจจุบันเข้าถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีข้อสงสยัยใดๆทั้งนั้นไม่มีเหตุว่าต้องไปสแสวงหาที่ไหนทั้งนั้น โดนมันหลอกนะก็วันนี้เราก็ทำหน้าที่เราสมบูรณ์นะวันมาค้าบูชาประเพณีที่ดีงามเนี่ยก็รักษาไว้บางทีเด็กๆ เ, เขาก็ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยก็ต้องพาเขาทำนะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนแลวตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงหลายคนไม่มาเดือนสองเดือนมาศูนย์นี่เปลี่ยนแปลงมากทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงนะ มันเป็นอนิจจังทุกขังอนิจจาสําคัญว่ามันเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นกุศลหรืออกุศลเท่านั้นเองนะโอเคกระแสเป็นแบบนี้วันนี้เป็นแบบนี้สําคัญว่าเราจับกระแสได้ไหมเราสามารถนํากระแสนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้มันเกิดกุศลได้ไหมหรือว่าปล่อยกระแสนั้นผ่านไปมีแต่พูดมีแต่พูดตัวเองไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะมันจะพัฒนาไปในตามกฎพระไตรลักษ์เหร ไปตกที่ต่ำทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ว่าเปลี่ยนแปลงในทางกุศลหรืออ ก, กุศลเท่านั้นเองนะอย่าไปมองเพลินๆว่าทำอะไรต้องดูว่าเจตนาอยู่ที่ไหนนะที่ทำทำทำ่านที่พูดทาทุกวันนี้ทาเพื่อใครตอนขยายศาลาก็มีเรื่องพ่อครูเอาอีกแล้วนะถามว่าทำเพื่อใครทำให้ใคร ทําเกษตรเดีกแล้วมันไม่เกี่ยวว่าทําอีกแล้วถามว่าทําเพื่ออะไรทําเพื่อใครนะผลพลอยได้ที่เราทําตรงนั้นเราได้ผลผลิตเราได้ผักได้อะไรมาบริโภคแต่ที่ได้มหาศาลคือเป็นเครื่องมือในการฝึกเด็กๆไม่ใช่เด็กๆผู้ใหญ่ก็ต้องไปฝึก นะสองเดือนมาพราะครูคุยกับต้นไม้ทุกวันตีสี่ครึ่งตีห้าพราะครูก็มาจอดปุ๊บพเพราครูก็ไปเยี่ยมผักที่เราปลูกถ้าเราไม่ใส่ใจนี่เราจะไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรเหมือนเขาทำอะไรฉันไม่ใส่ใจเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรดียังไงช่วงนเราก็ไม่รู้ไงเหมือนกัน แต่ถ้าเราใส่ใจเขาเนี่ยตาเราก็มองเห็นเขาเขาจะยิ้มให้เราถ้าเราเงี้ยหูฟังปุ๊บเราก็จะได้ยินเขาบอกเราแต่ถ้าเราทำไปอย่างนั้นหลายท่อย่างนั้นจบๆเนี่ยเราก็ไม่เห็นเขาไงนะถ้าเราใส่ใจเขาเราเงี้งหูฟังเขานีต้นไม้ใบหญ้าเหล่านี้เขาก็จะบอกเราอยู่ๆจับเข้ามาขังอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาพอใจไหม เมือนเช้าเช้ามาปุ๊บผักมันคอตกอยู่อย่างนี้แสดงบอกว่ามันไม่ได้ชอบมันเงยหน้าขึ้นบอกโอ้โหเราชอบสุดยอดเลยมันขอบคุณเราด้วยนะถ้าเรารักมันมันก็จะรักเราถ้าเราลดน้ําผักเราใสอารมณ์ดีๆเข้ามันเนี่ยนะมาแล้วสุดท้ายมันก็ชดเชยเรามันจะมีพลังงานอยู่ตรงนั้นเราก็คือมันมันก็คือเรานั่นแหละ เอาต้นไม้ใบยางมาแยกออกมาออกธาตุมันก็เป็นธาตุสีเอาตัวเราไปแยกเราก็เป็นธาตุสีเหมือนมันเพราะคูคุยกับต้นไม้ทุกวันยังไม่มีเวลานะเออหลังจากเพราะว่าทุกอย่างมันใหม่หมดพวกกูก็ลองเออไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปช่วยให้ข้อคิดเองหลังจากอยู่ตัวแล้วเนี่ยเห็น ไ, ไหมจะเป็นคุณไม่ชีสามเณรพระภิกษุก็ไปช่วยกับดาวรันไปเพราะเราเป็นเจ้าของศูนย์ด้วยกัน เห็นไหมพ่อครูบอกแล้วมือหนึ่งเรามาช่วยกันทําเพื่อเลี้ยงตัวเองอีกมือหนึ่งนี่ช่วยกันทําเพื่อแบ่งปันคนอื่นเราได้บุญทุกวันเห็นไหมเดี๋ยวตรงนี้เสร็จปุ๊บพ่อครูก็ต้องไปอาจจะไปคุยกับตายไปคุยกับหนูไปคุยกับนกยุงเดี๋ยวเขาจะบอกพ่อครูว่าคนดูแลเขาเนี่ยรักเขาแค่ไหนก็บอกพ่อครูไม่ได้ เราสามารถคุยกับสรรพสิ่งถ้าเราใสา่ใจนี่เป็นหลักธรรมชาติอันนี้อ้างโน่นอ้างโน่นอ้างโน่นอ้าง น, น, าง น, น, า น, นี่ไม่ร่วมสังต ก, กรรมกับเพื่อนฝูงคุณก็จมปักอยู่กับอารมณ์เน่าเหม็นตรงนั้นแหละทำให้ตัวเองทุกข์และพลาดโอกาสในการเรียนรู้เพราะกลัวได้เปรียบเสียเปรียบมีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ถ้าพูดถึงเสียเปียบเนี่ยมีใครเสียเปียบมากเท่ากับพ่อครูมีไหมแต่มันไม่ใช่ได้เปียบเสียเปียบมันเป็นสิ่งที่หน้าที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เห็นไหมการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือทานไงหนึ่งในคำสอนพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยถึงมันจะได้กี่เปอร์เซนต์เราก็ได้ไง มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เมื่อทานเต็มแล้วเนี่ยนะเมื่อจะให้บ่อยๆเนี่ยศีลนี่ไม่ต้องถือเลยนะไอ้ความพยายามยามันก็ไม่มีไงมันไม่ต้องไปผิดศินไงเห็นไหมศีลก็เต็มอีกอะละชั่ว ก, ก็ก็ได้อีกเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเป็นอย่างสลัดออกอยู่แล้วมันจะไปเอาของเขามาทําไมอ่ะมันก็ต้องละชั่วในตัวมันเองอยู่แล้วเห็นไหมล่ะ แล้วเรามีโอกาสมาปฏิบัติเช้าสายบ่ายเย็นนะโดยเฉพาะสุริยันจันทาเพราะกูแอบดูมานะหลายเดือนน่นะตั้งแต่เม่สุริยันจันทามากเนี่ยคุณไม่ชีน้อยเราเนี่ยชีวิตก้าวหน้ามากสมาธิเขายาวขึ้นเวลาเราหมุนอย่างนี้ถ้าเราไม่สำรวมระวังมันจะลม้มไหมเขาิ่งอยู่ตรงนั้นนั่นคือเอกอขาตาลุ ไม่ใช่ไปสอนเข้าหูซ้ายออกหูขวาอย่างนี้นะจุกนี่ไม่ใช่ปลูกสานึกแบบนั้นนะม่ตรไปสอนไปสั่งเขาแต่ตัวเองเนี่ยไม่เป็นแบบอย่างที่ดีไม่มีประโยชน์อันนี้เราปลูกสมนึกเขาตื่นขึ้นก็ตื่นเพราะครูเห็นความก้าวหน้านะก็อนุโมทนากับคุณเมธีแล้วหลวงพี่ดูแลเนียน ใครทำคนนั้นก็ได้ไม่ได้ทำเพื่อพ่อคกูนะทำเพื่อตัวเองทั้งหมดนั่นแหละพ่อคูไม่จำเป็นที่ต้องมาทำอะไรพร่อกรูนะมีแต่เราเดินทางด้วยกันพ่อคกูก็แบ่งปันนะออความรู้ประสบการณ์ที่ยังพอมีอยู่นะเรามาสร้างคนคนสร้างศาสนาคนสร้างชาติคนสร้างโลก ไม่ใช่หนีจะเอาตัวรอดคนเดียวเนี่ยนะมันไม่รอดหรอกไม่รอดยิ่งสายมหายานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เขาปฏิเสธนิพพานนะอย่าไปพูดฉันต้องสร้างบา ร, รมีก่อนคนเน้นเรื่องเนี่ยเมตตา ร, รมทานบา ร, รมีทานปุ๊บมันก็ลดละเลิกความโลภความโกรธความหลงลงไปมันก็ลดการสร้างกรรม ปฏิบัติทำบ้างแบบไหนก็ช่างนะ่ยพบไปเรื่อยพออินทรีย์พระละมันได้ที่ปุ๊บมันก็เลี้ยเข้านิพพานหมดอันนี้เราไปหลงนิพพานแห้งสภาวะนิพพานซึ่งแห้งแห้งไม่มีบารมีอะไรเลยมันไม่ใช่ของจริงทำไปทั้งหมดทั้งสามอย่างพร้อมๆกัน บางคนอยู่ที่นี่อยู่เฉยๆนะเวลาจะทําบุญเลี้ยงพระโน่นวิ่งไปข้างนอกมันถึงจะขังพวกคุไม่ใช่ไม่เห็นนะเห็นก็สั์แต่ว่าเห็นไนงะก็เมตตาจะทํำยังไงก็ทําไเนะก็มันยิ่งแรงขึ้นทุกวันนะวัตะสงสารมันยิ่งเร็วขึ้นบุญบาปมันจะสะสารกันยิ่งเร็วขึ้นยิ่งต้องนิ่งตั้งมัน่น ถ้าเผลอปุ๊บนี่ทุกคนจะถูกอารมณ์ตัวเองขอบทุกคนจะแพ้ภัยตัวเองนะพอแพ้ปุ๊บนี่ไอด้ดีๆเยอะแย ะ, ยะที่มาใช้ศูนย์ตรงนี้เป็นเวลาหลายปีลืมหมดเลยพาะคุูเน้นนะ่ศูนย์ไม่ได้ทำอะไรผิดนะนี่ไอ้โต๊ะตัวนี้ตีมันเนี่ยมันไม่รู้สึกนะศูนย์ไม่รู้สึกน ะ, ะแล้วพ่อครูมั่นใจในตัวเองเนี่ยไม่เคยเบียดเบียนใครไม่มีอคติใครแม้แต่หนึ่งคน มีแต่เมตตาแต่ศูนย์มันไม่ดีเพราะว่าเราเองเนี่ยถูกกิเลสเราหลอกศูนย์มันไม่มีอะไรไม่ดี เ, เรามันจะอ้างไปด้วยอ้างไปเรื่อยพอมันเบื่อมากูก็อ้างนวนอ้างนี่เห็นหมละ่ะมันเป็นเรื่องของเฉพาะตัวเราเนี่ยโอย้คนมันเยอะไม่ชอบก็คุณให้ไม่ได้ไง เงียบๆกูจะได้เงียบๆคนเดียวเดีคุณก็จมปักอยู่กิเลสคุณชอบเงียบๆมีแต่ขว้างเนาะคนเยอะๆก็ดีไงเราจะได้เรียนรู้กับคนเยอะเพราะอารมณ์มันไม่เหมือนกันน่คนเยอะถ้าเราทำตัวเองให้สงบได้น่ะของแท้นี้ไปอยู่ในป่าคนเดียวเงียบๆสบายๆเน่ยอันนั้นระวังนะบางทีโดนหลอก โดนหลอกนะก็มีเวลาหน่อยหนึ่งอย่าเพิ่งนอนนานๆจิตตังสักหน่อยหนึ่งก็ไป น, นอนนะโอเคนะสุดท้ายนี้ขอขอราตนาคุณพระศรีลัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทอร